เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรมสัรออบาสุโอบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกๆท่ททานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิเจ็ดพฤศจิกายงพุทธศักราชสองพนห้ารอยห้าสิบเป็นวันพระวันธรรมสวนสวันฟังธรรมวันที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้สาธุชนได้เข้ามาวัดเพื่อมาทาบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาเจริญจิตตภาวนาเพื่อเป็นการสร้างบ้านใหม่ให้กับพวกเราเพราะบ้านเก่า ของเราก็จะค่อยๆเสื่อมค่อยๆฉ้ำรุดแล้วก็จะพังไปในที่สุดบ้านของเราที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือร่างกายของเรานี่ที่จะต้องแกล่ลงไปตามลำดับแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุด เราจึงต้องเตรียมสร้างบ้านใหม่เอาไว้เพราะถ้าเราไม่สร้างบ้านใหม่ไว้เวลาบ้านเก่าพังไปเราจะไม่มีบ้านอยู่เราจะเร่ร่อนเป็นเหมือนขอทานหรือเราอาจจะไปติดคุกติดตารางแต่ถ้าเราพยายามสร้างบ้านใหม่ของเราไปเรื่อย ด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปวัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือการทําใจให้สงบเป็นสมาธิวิปัสสนาคือการสอนใจให้ฉลาดให้เกิดปัญญาขึ้นมา ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจของเราเราก็จะมีบ้านใหม่ที่ดีกว่าบ้านเก่าของเราเราไปต้องสร้างมันไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังไม่ได้สร้างบ้านที่ถาวรถ้าเราได้สร้างบ้านที่ถาวรแล้ว เราก็ไม่ต้องสร้างอีกต่อไปบ้านของเรานี้ก็จะเริ่มตั้งแต่บ้านที่อยู่ในสวรรค์ชั้นเทวโลกถ้าเราทำบุญให้ทานเรารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เราก็จะได้บ้านในสวรรค์ชั้นเทวโลกแล้วถ้าเรานั่งสมาธิได้ ทำใจให้สงบได้เราก็จะได้บ้านในสวรรค์ชั้นพรมโลกแล้วถ้าเราจเจริญปัญญาสอนใจให้ฉลาดได้สอนใจไม่ให้หลงกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ได้เราก็จะได้บ้านชั้นพระนิพพานที่เป็นบ้านที่ถาวอ พอเราได้บ้านชั้นนิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องสร้างบ้านใหม่อีกต่อไปเพราะบ้านชั้นนิพพานนี้จะไม่มีวันเสือ่อมจะไม่มีวันชำรุดจะไม่มีวันหมดไปแต่ถ้าเรายังไม่ถึงชั้นพระนิพพานเราก็จะต้องกลับมาสร้างใหม่ต่อเช่นถ้าเราได้บ้านชั้นระดับพรหมโลก ชั้นระดับพรมโลกนี้ก็ยังเสื่อมได้จากชั้นพรมโลกก็จะเสื่อมลงมาสู่ชั้นเทวโลกจากชั้นเทวโลกก็จะเสื่อมกลับมาชั้นมนุษย์พ อ, อกลับมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องกลับมาทำบุญให้ทานมารักษาสีมานั่งสมาธิกันต่อไป ถ้าเราได้มีโอกาสพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะมีโอกาสสร้างบ้านที่ถาวรที่ไม่เสื่อมได้ว่ามีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่รู้จักวิธีสร้างบ้านชั้นพระนิพพานได้ศาสนาอนนี้ รู้จากวิธีสร้างบ้านแค่ชั้นระดับพร ม, มโลกเท่านั้นชั้นระดับเทวโลกและชั้นระดับมนุสสโลกแต่เขาไม่รู้จากวิธีสร้างบ้านระดับชั้นนิพพานต้องเป็นพระพุทธศาสนาต้องมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุวิธีที่จะสร้างบ้านชั้นพระนิพพานนี้ พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุแล้วก็จะมีพระธรรมคําสอนตามมาพอมีพระธรรมคําสอนก็จะมีผู้ที่ฟังแล้วเกิดศรัทธาน้อมนาเอาไปปฏิบัติก็จะได้บ้านชั้นพระนิพพานท่านาเหล่านี้เราก็ให้ชื่อว่าพระอระหันตสาวกเป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ที่จะทำหน้าที่สั่งสอนวิธีการสร้างบ้านชั้นพระนิพพานให้แก่ผู้อื่นตามลำดับต่อไปอย่างของสมัยพุท ธ, ทธกาลก็มีผู้ที่ได้สร้างบ้านพระนิพพานกันเป็นจานวนมากแล้วท่านเหล่านั้นก็ทำหน้าที่สั่งสอนผู้อื่นตามลำดับ มาจนถึงปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธของเราจึงยังมีมากมีผลมีเหตุมีทั้งที่จะทำให้พวกเราได้สร้างบ้านที่ถาวรที่ไม่ต้องกลับมาสร้างกันใหม่ซ้ำซากต่อไปการที่จะสร้างบ้านที่ถาวรนี้ได้เราต้องก้าวขึ้นไปจากบ้านชั้น เทวโลกขึ้นไปสู่ชั้นพรมโลกแล้วเราถึงจะสามารถก้าวเข้าไปสู่ชั้นพระนิพพานได้ดังนั้นเราจึงต้องทำบุญทำทานกันอย่างต่อเนื่องทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆมีเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ที่ไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ดูแลรักษา ชีวิตร่างกายของเราก็ให้เอามาทำบุญเพราะว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราทำบุญนี้เราเอาเอาบ้านใหม่ของเราไปได้เราทำบุญแล้วเราก็รักษาศีลเราก็จะได้ไปบ้านชั้นสวรรค์เทวโลก แล้วถ้าเราฝึกหัดนั่งทำสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะได้บ้นชั้นสวรรค์พร ม, มโลกพอเราได้สมาธิแล้วเราก็จะพร้อมที่จะสร้างบ้านชั้นพระนิพพานได้คือเราจะเจริญปัญญาได้ปัญญาที่เราเจะเรนนี้ต้องมีจิตใจที่สงบถึงจะสามารถ เห็นความจริงต่างๆได้เหมือนกับน้ำเราจะเห็นสิ่งในน้ำได้ก็ต่อเมื่อน้ำใสแต่ถ้าน้ำไม่ใสน้ำไม่ขุนเราจะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในน้ำใจของพวกเราก็เป็นเหมือนน้ำแล้วก็สิ่งต่างๆก็คือบ้านระดับต่างๆก็อยู่ภายในใจของเรานี่เอง บ้านระดับเทวโลกพรหมโลกแล้วก็ระดับพระนิพพานการที่เราจะเห็นบ้านระดับพระนิพพานได้น้ำของเราต้องใสคือใจของเราต้องใสสวา่างเราจึงจะเห็นทางที่จะพาให้เราไปสู่บ้านชั้นนิพพานได้แต่ถ้าบ้านชั้นสวรรค์เทวโลกกับพรหมโลกนี้ เราสามารถใช้การทำบุญให้ทานใช้การรักษาศีลและการนั่งสมาธิพาเราไปได้แต่เราจะไปสู่ชั้ น, นนิพพานนี้เราต้องมีปัญญาพาไปการจะมีปัญญาก็ต้องมีจิตใจที่สงบต้องเป็นจิตระดับพมลโลกพอเราได้สมาธิ ได้ความสมบแล้วเราก็จะเห็นทางที่จะพาเราไปสู่ <c oughs> สวรรค์ชั้นพระนิพพานสิ่งที่เราต้องเห็นคืออะไรก็คือเห็นพระอริยสัจสี่เีย <c oughs> เห็นว่าความทุกข์นี้ที่เกิดภายในใจเรานี้ <c oughs> เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆของเรา แล้วการที่จะดับความทุกข์การที่จะทำให้ใจของเราเป็นพานที่ผ่านขึ้นมาเราก็จะต้องมีปัญญาปัญญาก็คือต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปหลงไปรับไปชอบไปยึดไปติดไปอยากได้นี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข เป็นเหมือนยาพิษไม่ใช่เป็นขนมหวานไม่ใช่เป็นอาหารที่จะทำให้จิตใจของเรามีความล่มเย็นเป็นสุขแต่เป็นยาพิษที่จะทำให้จิตใจของเราวุ่นวายเดือดร้อนหิวกรายมีความอยากมีความต้องการไม่มีวันจบสิน้น ถ้าเราเห็นพระ อ, อริยสัจสีภายในใจของเราเราก็จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้เพราะเราจะรู้ว่าความอยากต่างๆนี้เองที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจความอยากก็เกิดจากความหลงที่คิดว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นที่พึ่งของเราเป็นสิ่งที่จะให้ความสุข ความดับทุกข์ให้กับเราแต่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขที่แท้จริงให้กับเราได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยมแท้แน่นอนมีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมมีการดับไปหมดไปได้ถ้าเรายึดถือสิ่งนั้นสิ่งนี้มา ให้ความสุขกับเราเราก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่สิ่งนั้นสิ่งนี้เปลี่ยนไปหรือจากเราไปเช่นเราเอาบุคคลมาเป็นที่พึ่งมาให้ความสุขกับเรามาเป็นสามีมาเป็นภรรยาของเราแต่เขานั้นก็ต้องปีการเปลี่ยนแปลง บางวันเขาก็ดีบางวันเขาก็ไม่ดีวันที่เขาดีเราก็มีความสุขแต่วันที่เขาไม่ดีเราก็จะมีความทุกข์แล้วต่อไปเขาก็จะต้องแก่ลงไปเขาก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแทนที่เขาจะให้ความสุขกับเราเขาก็กลับกลายเป็นภาระให้เราต้องคอยดูแลเขา พาเขาไปหาหมอไปลงพยาบาลต้องเลี้ยงดูเขาทำอาหารให้เขารับประทานและเวลาที่เขาตายจากเราไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจ ว, ว้าเหวิล่องหงง่องห้านั่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีปัญญาเราไปคิดว่าการมีคู่ครอง มีสามีมีภรรยามีบุตรมีทีดาจะเป็นที่พึ่งของเราได้จะทำให้เราไม่ทุกข์จะทำให้เรามีแต่ความสุขแต่เราไม่ได้มองความจริงว่าเขาสามีของเราภรรยาของเราบุตรทีดาของเรานี่ร่วนอยู่ภายใต้กฎของอนิจจ์ คือไม่ทิมแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสือ่อมมีการเกิดมีการดับเวลาเจริญเวลาเกิดเวลาดีเราก็มีความสุขแต่เวลาเขาเปลี่ยนไปจากดีมาเป็นไม่ดีจากการเจริญมาเป็นการเสือ่อมจากการเกิดมาเป็นการดับเราก็จะ ไม่มีความสุขเราก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยึดไม่อาศัยสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมาเป็นที่พึ่งของเรามาให้ความสุขกับเราเรายึดการปฏิบตัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสราณาของเราคือทำบุญทำทานรักษาศีล ทำใจให้สงบแล้วก็ทำใจให้ฉลาดเราก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริงเพราะใจที่มีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะเป็นใจที่มีความสงบเป็นใจที่มีความสุขมากกว่าความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้และเป็นความสุขที่แท้จริง ก็เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันจางไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปจากใจไม่ว่าร่างกายของเราจะแก่จะเจ็บจะตายหรือร่างกายของคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่มาลบล้างทำลายความสุขที่เกิดจากการทำบุญให้ทาน รักษาสิงทำใจให้สงบและทำใจให้ฉลาดได้อันนี้แหละคือที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราบ้านที่แท้จริงของพวกเราบ้านที่จะไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปพวกเราจึงควรรีบใช้เวลาที่มีคุณค่าของเรานี้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ชีวิตจิตใจของพวกเราด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้านี้เถิดเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นของจริงของแท้เป็นความสุขจริงเป็นความสุขแท้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอด สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้จะไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเป็นลากยศสำละเสริญไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขสลับกับการให้ความทุกข์กับเราสิ่งต่างๆเหล่านี้สักวันหนึ่งเขากับเราก็ต้องจากกันไปร่างกายของเราเมื่อตายไปแล้ว สิ่งต่างๆที่เราได้ผ่านทางร่างกายก็จะหมดไปกลายเป็นของคนอื่นไปาะลาภยศสารเสริญความสุขทตาหูจมูกริ้นกายก็จะหมดไปเราก็จะต้องไปสร้างบ้านใหม่ไปเกิดในบ้านใหม่ถ้าเราได้ทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติเราก็จะมีบ้านที่ดีรอเราอยู่ แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไปได้ร่างที่เราไม่ชอบไม่ปรารถนากันก็คือได้ร่างของเดรัจฉานได้ร่างของเปรหรือได้ไปตกนรกอันนี้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเราไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือไม่ทำบุญให้ตาม ไม่รักษาศีลไม่นั่งสมาธิทำใจให้สงบไม่สอนใจให้ฉลาดด้วยการฟังเทศฟังธรรมใจของเราจะฉลาดได้นี้ขั้นต้นก็คือต้องฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้ว่าอะไรเป็นของแท้อะไรเป็นของปลอมให้รู้ว่าความสุขแท้เป็นอย่างไร ความสุขป้อมเป็นอย่างไรพอเรารู้แล้วท่านต่อไปเราก็ต้องเอามาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่สอนใจเราก็จะลืมได้เช่นวันนี้เราฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องสร้างบ้านใหม่กันเราต้องทำทานต้องรักษาศีลต้องนั่งสมาธิต้องเจริญปัญญากัน เวลาออกจากศาลาไปแล้วเราก็ต้องคอยเตือนใจเราต่อไปถ้าเราไม่เตือนใจเราก็จะลืมแล้วเราก็จะไม่ได้ทำทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เจริญปัญญาแต่ถ้าเราคอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้กลับไปบ้านแล้วเราก็จะได้รักษาศีลศีลห้าบ้างศีล8ปดบ้าง แล้วแต่กําลังถ้ายังรักษาศีลห้าไม่ได้ก็พยายามรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็รักษาศีลแปเพราะรักษาศีลแปนี้จะช่วยทำให้เรานั่งสมาธิได้ถ้าไม่มีศีลแปนี้การนั่งสมาธิจะเป็นไปได้ยากจะไม่เป็นผลดังนั้น ถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบเราต้องพยายามรักษาสิ่งแปดให้ได้สิ่งข้อที่สามก็ต้องเปลี่ยนเป็นอพปรรมจาจริยาคือแทนที่จะไม่ประพฤติผิดประเวณีเราก็จะถือสิลงพรหมจรรย์คือจะไม่ล่วงหลับนอนกับใครแล้วเราก็เพิ่มสิ่ข้อที่หคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แล้วก็ละเว้นจากการหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงดูละครไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผาา้าอภรณที่วิจิตรพิสดารแต่งหน้าทาปาใช้น้ำหอมใช้น้ำมันต่างๆการกระทำเหล่านี้เป็นการทำให้เสียเวลา ต่อการบำเพ็ญสมาธินั่นเองเราจึงไม่ควรเสียเวลากับเรื่องราวเหล่านี้เราเราต้องการมีเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วเราก็ต้องไม่นอนบนฟูกหนาๆเพราะจะทำให้เรานอ น, อนมากเกินไปธรรมดาร่างกายนี้ต้องการเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็พอแล้ว แต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมง ด, ด้วยกันก็จะสูญเสียเวลาอันมีค่าที่เราจะใช้กับการนั่งสมาธิกับการเจริญปัญญาดังนั้นถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิเราก็ต้องถือศีลแปดให้ได้ พอถือศีลแปลแล้วเราก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิได้การจะนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้เราก็ต้องมีสติเป็นเครื่องบังคับความคิดของเราอย่าปล่อยให้ใจของเราคิดเรื่อยเปื่อยเราต้องควบคุมบังคับให้ใจคิดอยู่กับเรื่องเดียวเ mm hmm. ช่นให้คิดอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไป หรือคิดอยู่กับบทสวดนมดไปก็ได้เช่นสวนอิติปิโสอรหังสัมมาสว่าขาโตสุปฏิปันโนไปสวดไปเรื่อยๆก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิสวดได้ทั้งวันถ้าเราสวดไปภายในใจไม่ว่าเราจะทากิจกรรมอะไรถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ท่องไปภายในใจจะท่องพุทโธธรโมงสัมโคไปก็ได้ หรือจะท่องพุโทโธคำเดียวก็ได้หรือจะสวดอิติปิโสไปก็ได้เป้าหมายของการกระทำเหล่านี้ก็เพื่อควบคุมบังคับไม่ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วใจจะฟุ้งซ่านใจจะเกิดความอยากต่างๆจะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาจะทําให้ไม่สามารถทําใจให้สงบได้ แต่ถ้าใจเราไม่ไปคิดเรื่องต่างๆคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธหรือคิดอยู่กับอรหันต์สัมมาใจก็จะว่างจากความคิดต่างๆแล้วก็จะมีความเย็ยนมีความสุขมีความสบายพอเวลามานั่งสมาธิมาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ พอไม่คิดใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขแท้ความสุขที่จะเป็นของเราอย่างถาวรต่อไปแต่ตอนที่ได้ในสมาธินี้ยังเป็นความสุขชั่วคราวอยู่เพราะเวลาออกจากสมาธิมาความสุขนี้ก็จะจางหายไปถ้าเราไม่คอยรักษาไว้ วิธีที่จะรักษาความสุขที่ได้จากสมาธิไม่ให้หายไปก็มีอยู่สองวิธีวิธีที่ไม่ถาวรก็คือท่องพุโทโธต่อไปสวดมนต์ต่อไปแต่ถ้าอยากจะรักษาอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ความสงบความสุขนี้อยู่อย่างถาวรก็ต้องใช้การเจริญปัญญาคอยสกัดความอยากต่าง เวลาเกิดความอยากก็สอนใจว่ากําลังสร้างความทุกข์ให้กับใจกําลังทำลายความสงบสอนใจว่าสิ่งที่อยากได้นี้เป็นสิ่งที่ไม่ที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องสูญไปหมดไปเวลาสูญไปก็จะทุกข์จะเศร้าโศกเสียใจแล้วถ้าเห็นอย่างนี้แล้วใจก็จะหยุดความอยากได้ พอไม่มีความอยากไม่มีความคิดปรุงแต่งอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะนิ่งสงบเหมือนกับขณะที่อยู่ในสมาธินี่คือการสร้างบ้านที่ถาวรคือบ้านชั้นพระนิพพานบ้านที่มีความสุขที่ถาวรต้องสร้างตั้งแต่ทานศีลสมาธิและปัญญาขึ้นมาตามลำดับ ถ้าเรามีทานมีศีลมีสมสาธิมีปัญญาเราก็จะได้บ้างที่ถาวรเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นเทวดาไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นโครนอีกต่อไปเราก็จะอยู่บ้างที่ถาวรที่มีทุกสิ่งทุกอย่างคอยให้ความสุขกับเราตลอดเวลา เป็นบ้านที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตรสาวกทั้งหลายได้สร้างกันหลังจากนั้นท่านก็นำเอามาสั่งสอนพวกเราถ้าพวกเราสร้างบ้านหลังนีได้พวกเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปแต่ถ้าเรายังสร้างไม่ได้เราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บ มาตายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสร้างบ้านพัชั้นพันนิพา น, นี้ได้สำเร็จดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะเสียเวลากับการสร้างสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะเป็นของชั่วคราวให้เรามารีบสร้างบ้านที่ถาวรของเราจะดีกว่าเพราะว่านานๆ ที่พวกเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งพบกับวิธีที่จะสร้างบ้านชั้นพันิพานถ้าเราไม่สร้างให้มันสำเร็จภายในชาตินี้เวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในชาติต่อไปเราอาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้เพราะพระพุทธศาสนานี้ก็จะมีอายุเพียงไม่เกินห0พันปีเท่านั้น ถ้าเราไปเกิดบนสวรรค์เราอาจจะอยู่บนสวรรค์อยู่หลายพันปีกว่าพอกับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พระพุทธศาสนาก็จะหมดไปแล้วก็ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้จักวิธีสร้างบ้านที่ถาวรของเราดังนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติที่ดีที่สุดเพราะว่ามี ผู้ที่จะคอยสอนให้พวกเราสร้างบ้านที่ถาวร น, นั่นเองดังนั้นขอให้เราพยายามเข้าหาพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยที่สุดก็ต้องควรจะเข้าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเช่นวันพระหรือวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดทํางานของพวกเราเพื่อที่เราจะได้มาได้ยินได้ฟัง วิธีที่จะสร้างบ้านถาวรต่อไปถ้าเราไม่เข้าแล้วเราก็จะลืมวิธีสร้างบ้านแล้วเราก็จะไม่ได้สร้างบ้านที่ถาวรกันพอตายไปเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหมอ่อีกกลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหมอ่อีกไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นชาตินี้จึงถือว่าเป็นโอกาสที่วิเศษที่สุด สำหรับพวกเราเราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันงามนี้ให้หลุดมือไปให้รีบขนขวายปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิและเจริญปัญญาแล้วเราจะได้บ้านที่ถาวรจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอการแสดงก็ เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนกรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้ว่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ